ปันทึกที่ห้าเคารพธรรมเคารพวินัยพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพธรรมและตรัสว่าเมื่อใดสงใหญ่ขึ้นเมื่อนั้นพระองค์ก็เคารพแม้ในสงว่าโดยหลักใหญ่การปฏิบัติเช่นนี้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 ใช้กับวินัยหรือคำสั่งเป็นเรื่องของระเบยียบสังคมมักใช้คำว่าเชื่อฟังตรงกับภาษาอังกฤษว่า obey และ obedience ในแง่นี้พระอรหันต์เป็นผู้เชื่อฟังหรือมีวินัยอย่างยิ่งดังมีพุทธพจน์แห่งหนึ่งตรัสแสดงให้เห็นว่าพระอรหันต์และพระอริยะบุคคลอื่นๆ